พระธรรมเทศนาแผ่นที่เก้าสิบสามลำดับที่สิบหกโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่เจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ามีชื่อเรื่องว่าอวดฉลาดมากยิ่งโง่มากอ้าวลูกหลานเสร็จแล้วยังนี่นะ วันนี้หลวงพ่อจะมีกระเป๋าแจกนะเนี่ยคุณเฮนเล่คุณแอลฟ่ามาจากอินโดนีเซียสองสามีภรรยาที่นิมนต์หลวงพ่อไปอินโดนีเซียเวันนี้ได้ติดตามมาได้เอากระเป๋ามาด้วยเนี่ยต่อไปให้ถ้าว่าเจโสมทรรมยตทำแบบกระเป๋าแบบนี้น่ดีนี่ ก็ไม่แน่บือนกันนะถ้าเป็นวันเกิดลุงพอ่อลุงพอ่ออาจจะให้พวกกลุ่มอินโดนีเซียทํามาให้วะส่งมาให้วะเอามาแจกเมืองไทยเอามาตีตลาดเมืองไทยวะเอาให้ครูบาองค์แจกพระซะก่อนนะเอแจกพระแอกแจกพระคนและกระเป๋ามาได้ไหจบทีมาได้ไหม เอาไปแจกชาวบ้านเลยแจกไล่ตั้งแต่ชีไปก่อนนะเอาแถวหน้าจากแล้วยังแจกโยมผู้ชายผู้ชายแถวเนี้ยครบไหมเชียงฮะได้สามเรเอาไปแจกให้ครบนะเทีนะ่ะเท่นะ่ะแจกให้ครบเลยแถวหน้ายังไม่ครบเลยนะนะใครได้สองอย่าไปเอาสองนะไม่ได้นะ ถ้าถ้าใครยังไม่ได้เดี๋ยวปีหน้านะเดี๋ยวจะเอาอินโดจะเอา อ, อินโดนเอามาแจกอีกคร <c oughs> บเลยเหรอเอาพ อ, อาสุจิตได้แล้วยังฮะยั ง, ยงมันสั้นไรอโอ้เดี๋ยวพ อ, อสุจิตศูนยนะว่างนิดสูเจ้าเลย <c oughs> ในบทได้แล้วยังเอา โอ้ครบพอดีเว้ยกูบาก็ครบนี่เห็นพ่อบียางยุโดยมากสงสัยบกครบไว้นโม <c oughs> ไปยานะคนสาวต้องหายกันได้ววันนี้เป็นวันที่เจ็ดกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าพระวันนี้สี่สิบห้ารูปนะ แต่วันพรุ่งนี้หลวงพ่อจะได้ฉันจังหวัดเสร็จแล้วจะได้ไปไประชุมที่จังหวัดขอนแก่นเกี่ยวกับทุนนิติดูแลสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลศรีนครินแต่คิดว่าน่าจะฉันจังหวัดเสร็จก่อนแต่เจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงหลวงพ่อก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่จะได้ไปไประชุมเกี่ยวกับการวางแผนดูแลพระสงฆ์อาพาธ ในวันนี้หลวงพ่อได้แจกกระเป๋ากระเป๋าะ่ายกระเป๋าหิว้วที่โยมมาจากอินโดนีเซียที่นิมนต์หลวงพ่อไปอินโดนีเซียกับคณะนะ่พอไปถึงอินโดนแล้วก็มีกลุ่มพี่น้องชาวอินโดนให้ความตอนรับขับสู้อบอุ่น เป็นอย่างมากไม่คาดคิดเหมือนกันว่าพี่น้องชาวอินโดจะให้ความสนใจใส่ใจในเรื่องธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าและก็ให้ความสใส่ใจสนใจโดยเฉพาะเพราะยงเฮนรี่เอฟฟาร์เขาอยากจะมาเขาเรื่มใส่นับถือในพระธรรมคำสอนขององค์หลวงตามหาบัว แต่เขาก็อยากจะมาแต่ก็รทำธุระยังไม่เสร็จก็คิดจะมาแต่ผลในสุดมายังไม่ได้มาหลวงตาก็ละสังขารจตุตินิพพานไปก่อนจากนั้นคุณเฮนรี่ก็ได้มางานศพสิริละขององค์หลวงตาพอมาเห็นคู่คนมาเห็นการจัดงานขององค์หลวงตาเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสยอย่างสุดซึ้ง ไม่ขาดคิดหน้าเสียดายที่ตัวเองได้ผ่านไปแล้วไม่ได้มากระคารวะองค์หลวงตานะจากนั้นก็พอจัดงานเสร็จเข้ามาอยู่หลายวันทีเดียวจนงานเสร็จพองานเสร็จแล้วก็ตั้งจิตในตั้งจิตตั้งใจว่ากลับไปเนี่คงจะไปสร้างวัดทางสร้างวัดขึ้นมาจากนั้นก็เลยได้ไปสร้างวัดอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้ รวบรวมหมู่พวกเพื่อนตั้งเป็นหมู่นิธิขึ้นมาตั้งชื่อว่าวัดอะไรแต่สังฆเบตตาขึ้นมาที่อินโดนีเซียจากนั้นก็ทังก็มองว่าจะได้พลาดโอกาสเมื่อพลาดโอกาสเมื่อพลาดหลวงตาไปแล้วก็น่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาอย่างพอเป็นแนวทางอยู่น่าจะได้มนลูกศิษย์ลูกหาหลวงตา ไปโปรดที่สำนักมูลนธิธิของเขาเขาเจะได้มานิมนต์หลวงพ่อไปพอหลวงพ่อไปก็มีศาลามีกุฏิที่พักพำอาศัยรูแล้วรู้สึกวสะดวกสบายท่านคนนิมนต์ครูบาจารย์หลายองค์แลวละก่อนหน้าหน้าที่หลวงพ่อจะไปแต่ห่างจากกรุงจาการตาประมาณสักห0สกิโลไก่พอสมควรอยู่นะ นะะหลวงพ่อก็ได้ไปพอไปลราก็ไปหลายหลายแห่งก็ได้รับความอบอุ่นจากพี่น้องชาวอินโดทีเดียวเลย <c oughs> ไปคราวนี้นะแต่ถึงยังไงก็ตาม เ, าเมืองไทยของเราเดี๋ยวนี้สรุปแล้วมองมองดูแล้วอินโดนีเซียกำลังหิวหิวหวยธรรมะหิวหวยครูบาอาจารย์หิวหวย พระธรรมคำสอนของพุทธะอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาอยากจะยอยากจะปฏิบัติเพราอขาดครูบาอาจารย์ผู้แนะนำแต่เมืองไทยของเราเนี่ยกลับอิม่มฮะอิ่มพระอิ่มเจ้าอิ่มครูบาอาจารย์อิ่มจนเบือ่อแต่บางทีก็เบือ่อเบื่อพระสงฆ์องค์เจ้าพอไม่รู้จักเลือกพอไม่รู้จักเลือกมนก กินยาเบื่อเบื่อไปตาว่ารู้จักเลือกแล้วก็กินอาหารพอเหมาะพอดีเคยกินอาหารที่มีวิตามินโปรตีนบำรุงร่างกายก็ยังพงพอสงทัดสงขันไปเรื่อยๆบำเพ็ญไปเรื่อยๆจะบีอิ่มได้ยังไงเพราะตัวเองยังมีกิเลสอยู่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่จะไปอิ่มทําเบื่อทําได้ยังไง คนที่เบื่อทำนะคือคือกิเลสทั้งนั้นนะเบื่อส่วนคนมีคุณธรรมใน จ, ใจิตใจแล้วจะไม่เบื่อน่ยไม่เบื่อทำไม่เบื่อไม่น่ายไม่อิ่มในธรรมเลยหิวในธรรมทำคือหลักเหตุผลทำคือหลักถูกต้องทำคือไม่มีที่ค้านว่ามันผิดมีแต่ถูกทั้งนั้นคําว่าธรทำเดินไปกันนี้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข จก็คิดไปในทางที่ถูกต้องเป็นสุขใจการกระทําออกมาทางกายกเป็นสุขกายการพูดออกมาก็เป็นสุขทางวาจาอันนี้คือทำคุ้มครองนี่แหละถ้าว่าคนเบื่อทำแล้วก็คิดไปในทางกิเลสราคะบังโทสะโมหะโลภโกรดหลงเน่มกมุ่นไปเถอะมีแต่ทุกข์เข้ามาเมื่อการกระทําออกไปกับผิดชิ้นห้า การกระทําผิดชินถ้าอบาบยมุกทุกอย่างท้งหมดนี่แหละอันนี้นกัความขีบหายก็จะเข้ามาอีกการพูดออกมาไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่าไม่รู้ไม่รู้จักสัมมาคารวะอันนี้นก่อนความทุกข์ก็จะเข้ามาอีกเพราะเบื่อทำเลยเพราะเบื่อทำก็ไปทางกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหนะมันจะเข้ามาประคับประคองคนที่เบื่อธรำ ถ้าคนมต้องการทำต้องการธรรมะเข้าสู่จิตใจอยู่น่าจะฐานที่ใดมีแต่ต้องการให้ทมเข้ามาสู่จิตสู่ใจอยู่ที่ไหนมีแต่ความร่มเย็นมันหิวหิวในธรรมคาว่าธรรมคานี้ก็อย่างที่ว่าอาหารถ้าเป็นอาหารก็อาหารที่มีไม่เป็นพิษเป็นภัยมีแต่ให้คุณ ต่อร่างกายแต่ว่ากีเลดเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยนะเมื่อทานและดื่มเข้าไป น, ะนั่นน่ะมีแต่ความหายยนะจะเข้ามาเข้ามาหาตัวเองนั่นแหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะหลักธรรมคำสอนของพุทธะเนี่ยเป็นธรรมเป็นธรรมคำสอนที่ให้พวกเราท่านทั้งหลายมุ่งมั่น ในคุณงามความดีให้มุ่งมั่นต่อศีลต่อธรรมให้มุ่งมั่นต่อหลักเหตุผลในครั้งพุทธการอุบาสกเป็นคนนอกศาสนาหลวงตาท่านพูดให้ฟังแต่ก็อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในธรรมประทักษฐาแต่หลวงตา ย, ยกประเด็นขึ้นมาหน้าฟังของท่าน คือพคนนอกศาสนาอย่างศาสนาอื่นจะเข้ามาบวชในพุทธศาสน า, าคือพวกสีหรือสีชีภัยพวกสีเปลือยอย่างเนี้ยจะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาพอเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าท่านจะมีบัญญัติวินัยเลยนะแค่ว่าให้อยู่ในทิฐิวิปวาะทิฐิใขครคร้าว่า ลดทิฏฐิซะก่อนโพธิ์เข้ามาเนี่ยจะไม่ให้บวชเลยเพระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ให้บวชเลยเบางทีบวชเข้ามาแล้วอาจจะเอาพุทธศาสนาเนี่ยออกไปในนอกลูนอกทางก็ได้ท่านจึงให้มาอยู่เป็นทิฐิวิปวาต์ใกล้ๆว่าให้มาตรวจดูซะก่อนว่าป ม, มีความตุง้งมุ่งจะมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงไหมอยากจะบวชคราวนี้นะ่ะ เลยขอมาบวชเพื่อหลอกๆ เ, เล่นๆเฉยๆอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าให้อยู่ทั้งสี่เดือนนะคือให้มาดูเพราะนั้นพวกนาคทั้งหลายที่เขามาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยมาแล้วบวชเร็ ว, น ะ, ว, ะว น, น, นะอย่าไปคิดว่ามาแล้วจยู่นานนอย่าไปคิดว่าผิดปกตินะ่ะถ้าว่าเป็นศาสนาอื่นเขามาเนี่ยท่านให้อยู่ทั้งสี่เดือน เรียกว่าทิฏฐิวิปปวัตให้ทดสอบทดลองดูว่าเป็นความมุ่งมั่นจริงไหมออกมาจากใจจริงจริงไหมที่จะบวชในพุทธศาสนาในคราวนี้ครั้งนี้ถ้าหากว่าดูดูแล้วไม่เป็นถ้าอายุไปอีกเตือนที่ห้าถ้าหากว่าอยุไปอีกอย่างนี้ยังใช้นิสัยเก่ายัางไม่ลดทิฏฐิความเห็นในใจของเขายังมีอย่างใช้ทิฏฐิอย่างเก่าอยู่ท่าน ท่านจะไม่ให้บวชเลยบอกไม่บวชไม่รับไปให้กลับไปหาศาสนาเก่าของเขาซะ เ, าเพราะว่าทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยเมื่อเขามาบวชแล้วมาบวชในพุทธศาสนาแล้วเอาความเห็นของตัวเองไปไปใช้ในทางที่ศา ส, าสานาของตเองที่ตัวเองนับถือเริ่มใสมาก่อนมันเสียหายมากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติวินัยห้ามไม่ให้บวช แก่คนนอกศาสนาต้องมาอยู่ทดสอบทดลองซะก่อนอย่างน้อยสเดือนอนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นบทบัญญัติวินัยแต่ในพอมีคนนอกศาสนาคนหนึ่งอาชีวกคนหนึ่งเนี่ยคนอาชีวกมาบวชในศาสนาเข้ามาพอได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเคารพนับถือเริ่มใสยอยางสุดซึ้ง อย่างมั่นใจเอออันนี้คือทำเป็นของแท้ของจริงได้ศึกษาได้ฟังแล้วเป็นของจริงทำคำสอนของพุทธเจ้าแต่ปฏิบัติดูแล้วนะพระองค์บอกว่าชีวคเท่เอเธอต้องอยู่ทิฏฐิวิปปวตาตซะก่อนนะสี่เดือนออยังค่อยบวชพอเราได้บัญญัติกฎกติกาไว้แล้ว ชีวกคนนั้นก็บอกกราบถุนพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังทำคําสอนของพุทธะแล้วเป็นของจริงไม่ว่าแต่สี่เดือนข้าพระพุทธเจ้าขออยู่เป็นสี่ปีก็ได้ <c oughs> เพิ่มก็ปีเป็นขอเป็นอยู่สีป่ปีจริงจะขอบวชก็ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นว่าอืมเขาเป็นผู้ตั้งใจจริงเป็นผู้ดํามีความเชื่อมั่นจริงอ้าวชีวกไม่ต้องถึง ไม่ต้องอยู่ทั้งสี่ปีหรอกบวชวันนี้แหละนี่แหละเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพุทธะไม่ใช่ซื้อบื้อนะสรุปแล้วลูกหลานนะต้องดูกาละเทสะการจสถานที่บุคคลถ้าบุคคลเขามีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจจริงพระองค์ก็ให้บวชในเดียวนั้นเลยทั้งที่กฎกฎติกามีอยู่เอจะให้อยู่ทั้งสี่เดือนแต่เขาว่าไม่ต้องไม่ต้องว่าสี่เดือนพระเจ้าข่าข้าพุทธเจ้าจะขออยู่เป็นสี่ปีก็ได้ อยู่ทิฏฐิวิปปาวัตเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าเขาเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนตั้งใจจริงเอออ่าบวชเลยบวชได้เลยเพราะว่าถึงยังไงก็ไม่เสียหายคนอย่างนี้เขามาบวชแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนดูแล้วเป็นคนจริงจังและจริงใจนี่แหละลักธรรมความสอนของพระพุทธศาสนาลักธรรมความสอนของพระเจ้าเนี่ยท่านบอกมีหลายแน่มุง ที่พวกเราได้นำมามาคิดนำมาพิจารณาสรุปแล้วก็คือให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาให้รู้จักกาละเทศะการสถานที่บุคคลเมื่อบุคคล น, นี้เมื่อเขาเมื่อเราเข้าไปหาควรทําอย่างไรบุคคล น, นี้เมื่อเข้าไปหาแล้วควรปฏิบัติตนอย่างไรควรพูดอย่างไรควรแ ส, แสดงอากัปกิริยาอย่างไรในชุมชนและสังคมนี้เนรล้วนแล้วแต่เป็น หลักทำคำสอนที่พระพุทธองค์ได้บอกกล่าวพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ไปที่ไหนตัวเองว่าตัวเองเฉลียวฉลาดคว้างไปหมดพูดพร่ำไปหมดก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นให้เรารู้จักเข้าไปรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักมองดูชุมชนสังคมของเขาเขาวางตัวอย่างไรเขาทำอย่างไรเรากไปสังเกตสังกาจากนั้นเราก็ยังคอยแสดง ความรู้ความสามารถของเราแสดงอากับกิริยาของเราแต่จะให้มันด้อยเกินไปอย่าให้มันเด่นเกินไปเราต้องสังเกตนะคนโบราณเขาว่าหมาเข้าบ้านหมาไปบ้านอื่นมันต้องดอมหางใครแค่ว่าเอาหางเอาหางตกไว้ก่อนแปลว่าทำท่ายอมแต่พออยู่ไปๆถา้ามองมองดูแล้วไม่เห็นใครที่จะเด่นกว่าตัวเอง หมามันยกหางล่ะเนี่แปลว่าข่าในเนื้อกว่าใครมาเจะข่าจะจัดการทั้งนั้นแหละมันยกหางขึ้นมาแล้วแปลว่ามันไม่ยอมใครล่ะเนี่แปลว่าหมายกหางฮะแต่หมาเข้าไปในบ้านอื่นมันต้องเอาหางต่ําลบหามต่ําเดินกับแบบระมัดระวังฮะนี่แหละขนาดหมามันก็ยังรู้จักวิธีการหลบรู้จักหลบรู้จักกลิกรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อชุมชนสังคมแต่เราเป็นมนุษย์นะ ไปที่ไหนเทเลทาราแข่งกล่าวไปหมดไม่น่าจะถูกนะอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธคือท่านเอาธรรมชาติมาแนะนําสั่งสอนพุทธบ ร, ริษัทบางสิ่งบางอย่างเองแนวความรู้ความรู้ธรรมชาติให้เห็นตามธรรมชาติอย่าไปฝืนธรรมชาติถ้าฝืนก็ฝืนได้แต่ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมชาติเปนเป็นอย่างนี้ อย่างพวกเราเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเนี่ยนะตามบางคนก็ไม่อยากจะนึกมันเลยความอแก่ความเจ็บความตายเนี่ยผมนึกเข้าไปแล้วมันจิตใจหดหู่ไม่อยากจะดูมันเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ระลึกถึงความตายวันละเทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนั่นแหะจึงตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม่ประมาท แต่พวกเรานะเนี่ยกิเลสของเรานะไม่อยากจะนึกถึงความตายแต่พราะพวกทีเจ้าให้ระลึกถึงความตายทำไมคนระลึกถึงความตายเนี่ยจะได้วางตัวถูกว่าคิดว่าข้าพเจ้าจะไม่หลงไม่ลืมตัวเออไม่คิดว่าจะอยู่ในโลกโฉวฟ้าดินสลายตายไม่เป็นข้าพเจ้าจะต้องหาอยู่หากินเบียดเบียนลังแกสัตว์อื่นคนอื่นไปเพราะว่าข้าพเจ้าจะยุอายุยืน มันจะทําความชั่วเสียหายมากมายคนที่ไระลึกถึงความตายถ้าระลึกถึงความตายแล้วออีกสักวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ไม่นานชีวิตของเราเราจะทําความชั่วเสียหายได้ยังไงคนอื่นเดือดร้อนอเขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเขาดูถูกเจ็ดยามทั้งบ้านทั้งเมืองเราจะมีอยู่ได้ยังไงกับชุมชนสังคมกับโลกของเขาเราควรจะทําตัวให้เป็นคนดี อยู่ในชุมชนสังคมรู้จักสัมมาคารวะรู้จักแบ่งปันรู้จักให้อภัยอันไหนที่มันเปิดเกิดประโยชน์ต่อโลกในยุคปัจจุบันที่เราเกิดไม่ดีกว่าเหรอดีดีกว่าที่พวกเราจะเป็นนักเลงหัวไม้ตั้งแก่เบียดเบียนหมู่พวกเพื่อนสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่โลภโหมโกณนะมีแต่ใช้กิเลสราคะโทสะโมหะ ลังแก่เบียดเบียนคนอื่นเขาจนไม่มองใครเลยเอาแต่ตัวเป็นใหญ่มันไม่น่าจะถูกนะเรานะถ้าคนละลิกถึงไม่ละลึกถึงความตายจะเป็นแบบนั้นถ้าคนละลึกถึงความตายเนะี่ยจะรู้จักการวางตัวนะพวกเราท่านทั้งหลายเพราะชีวิตของเราก็อย่างที่ว่าแล้วนะไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะอยู่เท่าไหร่อยู่ที่ลมหายใจเข้าก็หายใจออกเท่านั้นแหะ ไม่ว่าน้อยไม่ว่านุ่มไม่ว่าคนกาลังมีกาลังเห็นไหมคนขับอยู่ในเครื่องบินตายไปเท่าไหร่อยู่ในรถตายไปเท่าไหร่นอนหลับตายไปเท่าไหร่อยู่ในเรือตายไปเท่าไหร่อยู่เฉยๆหัวใจวายตายก็ไม่ไ ม, ไม่ใช่น้อยอีกเหมือนกันนัน่นแหะชีวิตของเรามันเป็นลักษณะอย่างนั้นจะ ต, ตายแล้วจะไปไหนตายแล้วเกิดอีกนะ นี่แนะตัวที่ว่าเกิดอีกนี่แหละเราก็สงสัยนะสิเอจ ร, รอเปล่านะเนี่ยแหะต้องศึกษาวิชาในโลกนี่ต้องศึกษาทั้งนั้นนะอ่าไม่ใช่จะจะสยามผูมีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่าัา้นสยามผูรู้แจ้งโลกนอกนั้นนะ่ยมีแต่วิชาที่ไดเรียนทั้งนั้นทั้งหมดน่นแหละโป้พิเร์ขนาดไหนท่านเสิร์ขนาดไหนด็อกเตอร์ขนาดไหน ได้เรียนทั้งนั้นอ่ะวิชาในโลกเนะี่ยแต่เรียนไม่จบอีกต่างหากเรียนวิชาในโลกไม่จบไม่จบนะไอ้พวกเราเนืู้ให้ดีก็แล้วกันวิชาในโลกไม่จบนะลกูกหลานนะสรุปแล้วแต่ละคนได้แค่หางอื่นนะเรียนวิชาในโลกเนะพราะฉะนั้นอย่าทนงตนออย่าอวดถ้าอดอวดมากสลายอิงโง่มากคนนะข้าไปเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ฉ ล, ลาดนะแปลว่างโง่มาก รู้เท่าที่รู้ท่านเองรู้เท่าที่เรื่องเรื่องรู้ท่านเองแต่เรื่องที่ไม่รู้นะ่ะมีตั้งเยอะแยะไป <rez ult ati> ยกตัวอย่างเนี่ยอย่างวิชาหมอรู้ทั้งหมดใช่ไหมขนาดหมอจริงๆก็ยังไม่รู้ทั้งหมด é, known, <Burke. S 1> เก่งเฉพาะตาเก่งเฉพาะหูเก่งเฉพาะกระดูกเก่งเฉพาะผิวหนังเก่งเฉพาะตับนันแะมันเฉพาะสัก อ, อย่างมันก็ไม่เก่งทั้งหมดภ yeah. าษาก็เหมือนกัน ภาษานกมันก็มีอีกภาษาหนึง่งภาษาไกา่ภาษาแต่ละนกแต่ละตัวอีกอภาษาคนคนแต่ละเผ่าอีกภาษาของเขาอีก เ, ออเรารู้ทั้งหมดใช่ไหมไม่รู้คาว่าไม่รู้แสนั้นคือเป็นไงผมไม่รู้ครับนั่นแหละความโง่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่โง่ครับแต่ผมไม่รู้นี่แหละทางที่จริงเขโงช่ชัดๆนั่นแหละอแต่ไม่ยอมโง่ครัเพราะมั น, ม, นมันอวดดีไว้ก่อนแล้วนะ นะโลกทั้งโลกมันเป็นอย่างนั้นนะพวกเรานะ่ยไปที่ใดไปที่ใดอย่าอวดอย่าอวดกะอย่าอวดฉลาดอย่าอวดเก่งให้เป็นผู้ฟังให้ปุเป็นผู้ศึกษาไว้จะดีกว่าเราจะรู้จักทางหลบทางหลีกจะได้เรียนจะเรียนวิชาจากความรู้ของเขาอีกถ้าเราไปพูดอะไรปลาปลาม์มปาล์มไปปาห ม, มาดไปหมดแล้วเขามีความรู้เขาก็ามไม่บอกไม่สอนให้เราเลอเดิน <c oughs> <c oughs> เกลี่ยนหนาเกี่ยหลักเกียบต่อไปเลยคนที่สูกคนนั้นนะเหมือนกับตาบอดะก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเราคอยพวกเราทุกทุกท่านนะประกอบคุณงามความดีตายแล้วไม่สูญอย่างที่ว่านะต้องศึกษาให้ประกอบคุณงามความดีเอาไว้ศึกษาเอาไว้อันไหนตายสูญอันไหนเกิดร่างกายในสูญแน่ตายแล้วไปเผาไฟทิ้งในแ น, แน่กาย แต่นามมธรรมตัวจิตใจนั่นนะ่ะตัวนั้นละ่ะไม่ตายไม่สูญพระพุทธเจ้าให้ความสาคัญจุดนั้นอีกต่างหากเหนือกว่าเหนือกว่าร่างกายท่านเรว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจน่แหละท่านศึกษาเรื่องของใจนะพุทธศาสนานะไม่ใช่ศึกษาความตรงอื่นนะจะ หัวใจนะเรื่องปัญญานะแนวความคิดความนึกคิดของจิตใจนะท่านให้ความสนสนใจนศึกษาจุดนั้นนะแต่เรื่องร่างกายมันเป็นเรื่องนอกหอกท่านท่านสนใจเรื่องของคนมากกว่าเรื่องของรถนะถ้ารถถ้าคนมีคุณภาพรถมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีแล้ว คนดีคนดีแล้วอไปอยู่กับรถรถก็ดีไปอยู่กับบ้านบ้านก็ดีอไปอยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั่นก็ดีอยู่ในประเทศชาติประเทศชาติก็ดีเพราะอะไรเพราะคนเป็นคนดีไม่ใช่าประเทศเขาดีอย่างเดียวอุดมสมบูรณ์ก็จริงยีดยู่ แต่คนในประเทศยังมีตักนักเลงหัวมไม้ไว้ใจกันไม่ได้มีแต่จะฆ่ากันนัเนี่ยดูที่มันจะหาความสุขได้ไหมนี้ก็เหมือนกันนะคนคนหนึ่งท่านจะให้ความ ส, สำคัญสําคัญเรื่องของใจใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจพวกเราศึกษาดูนะจุดนี้นะพุทธศาสนาให้ศึกษาเรื่องของใจไม่ให้ศึกษาเรื่องของกายของกายเนี่ยเป็นเป็นผลเท่านั้นเองแต่เรื่องของใจเนี่ยเป็นหัวหน้านะต้องศึกษาเรื่องหัวหน้านะ ให้ความสำคัญเรื่องหัวหน้านะหัวหน้านี่สสำคัญกว่าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในะตอนนี้นะ